หัดให้ทำอะไรได้ในชาตินี้ก็เป็นเพราะเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วในชาติก่อนสมรรถภาพในเรื่องนั้นได้สืบต่อมาถึงชาตินี้ซึ่งข้อนี้เราจะสังเกตเห็นได้จากตัวอย่างที่ว่าเราเอาคนหลายคนมาหัสทำในสิ่งเดียวกันใช้เวลาเท่ากันแต่แล้วสมรรถภาพที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันวิบากก็คือ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 จากตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าวิญญาณเป็นผู้ควบคุมร่างกายโดยอาศัยสมองและประสาทเป็นเครื่องมือสิ่งที่เรียกกันว่ากระแสประสาทซึ่งเป็นตัวการสำคัญและรู้จักกันดีในวงการแพทย์นั้นอันนี้หละก็คือกระแสจิตหรือกระแสวิญญาณถ้าหากตกลงทำความเข้าใจกันได้อย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่า